บันดิตย่อมฝึกตนพุทธะวัจนะเคยมีโอกาสได้ไปชมการแสดงเสือก็จับเสือมาเอามาฝึกแล้วก็เอาออกมาแสดงให้กับ ประชาชนทั้งหลายได้ชมกันก็ประทับใจนะเห็นเขาสามารถฝึกเสือแล้วก็เอามาแสดงได้ซึ่งเสือแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้แสดงตัวเดียวด้วยแสดงเป็น 10, 10ตัวเลยเอามาแสดงพร้อมๆกันพูดถึงเรื่องเสือแล้วเนี่ยเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกก็ ขนหัวลุกเหมือนกันนะเพราะเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติดุร้ายมากมันไม่เชื่องได้ง่ายหรอกถ้าเราไม่มีวิธีการฝึกเขาแล้วก็เราไม่รู้ทันเขาเขจะมาทำร้ายเราก็ได้แล้วเสือแต่ละตัวนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆใหญ่กว่าคนสองเท่าอย่างนี้แล้ ว, วพออ้าปากเนี่ยมันสามารถงับงับศีรษะค น, นได้ทั้งศีรษะเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ ออกมาแสดงพร้อมๆกันไม่ถึงว่าทั้งทั้ง10ตัวไม่ได้เอามาแสดงพร้อมๆกันแม้ว่าเขาจะเอาออกมาพร้อมๆกันเป็น10ตัวแต่เขาจัดจัดระบบให้เสือนี่นั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเนี่ยจับเสือนั่งให้เรียบร้อยนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆแล้วนะให้เรียบร้อยนั่งเรียบร้อยแล้วก็แสดงทีละตัวทีละตัวตามลําดับก็ชอบวิธีการฝึกเสือสอนเสือ ให้มันเชื่องให้มันเชื่อฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ทาได้ยากแต่ผมสังเกตดูผมก็ไม่ได้ชื่นชมกับเสือหรอกนะไม่ได้ชื่นชมกับเสือนี่มันว่าง่ายสอนง่ายไม่ได้ชื่นชมกับเสือแต่ชื่นชมผู้ที่ฝึกผู้ฝึกเสือนี่น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถมากสามารถที่จะเข้าใจเสือแล้วก็ตีสนิท ก, กับเสือได้โดยที่ไม่กลัวเลย แต่ในขเดียวกันเนี่ยก็สังเกตเขาเขาก็ไม่ประมาทนะเขาต้องมีอุปกรณ์เอาไว้คอยเราแวดระวังแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยเพราะว่าถ้าเขาเผลอเนี่่ฮันหลังให้เสือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภยัยเหมือนกันก็จะสังเกตดูเนี่ยสีหน้าตาต่างสังเกตดูเสือว่าตัวนี้มันอารมณ์แบบเนี้ยมันพร้อมที่จะเอามาแสดงได้ไหมหรือเสือที่สงบนิ่งนี่ก็ยังไม่ไว้ใจนะ บางทีอาจจะเป็นเสือที่เป็นน้ํานิ่งไหลลึกก็ได้ก็ชอบใจเออเนี่ยเขามีความสามารถมากเลิกแล้วก็เลยได้ไปถามเขาว่าหลังจากที่เขาแสดงเสร็จแล้วนะก็ถามเขาว่าเทคนิคของการฝึกเสือเนี่ยเราจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเขาก็ตอบแบบสบายๆเลยหมายถึงว่าชํานาญจะแล้วบอกว่าคือดับแรกเราต้องรู้จัก ธรรมชาติของเสือก่อนต้องเข้าใจธรรมชาติของเสืออันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าเราต้องมีความคุ้นเคยกับเสือรู้จักธรรมชาติมันเข้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะต้องทำความคุ้นเคยอันเนี้ยสองข้อเนี้ยว่าที่เขาบอกมาเราก็เข้าใจออการฝึกเสือมันก็เหมือมนอกับการฝึกจิตของเราบางทีจิตเราเนียมันร้ายยิ่งกว่าเสือเลยนะ การฝึกเสือเนี่ยมันเหมือนการฝึกจิตการฝึกจิตนี่เราก็ต้องรู้จักธรรมชาติของจิตเราทำความรู้จักแล้วก็ต้องแสดงความคุ้นเคยกับจิตเราด้วยต้องคุ้นเคยรู้จักอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องคุ้นเคยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรเราเปรียบเทียบกันนะเขาฝึกเสือเราฝึกจิตธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรเราต้องอาศัยหลักธรรมะและตรงนี้ตอนแรกเราไม่รู้จัก เราไม่เคยคุ้นเคยกับจิตเราต้องศึกษาธรรมะจากการอ่านการได้ยินได้ฟังการสนทนากับท่านผู้รู้พระพุทธองค์ท่านตรัดเลยว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันดิ้นรนกวัดแกวง่งห้ามยากรักษายากแล้วก็มักจะตกไปในอารมณ์ที่ใครอันนี้คือธรรมชาติของเขา เราสังเกตดูจิตเราก็รู้เนี่ยจิตที่มันดิ้นรนกวัดแกว่งคือมันไม่นิ่งอ่ะอาการไม่นิ่งของจิตเนี่ยคือมันจะรู้เรื่อยๆเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางจมูกเดี๋ยวรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางจิตใจที่มันคิดนึกโอ้จิตนี่มันมันไม่นิ่งนะมันขยันรู้แล้วมันก็ขยันคิดด้วยไอ้ที่มันคิดเนี่ย คืออาการกวัดแกงดิดน้นรนไม่นิ่งจะให้จิตมันสงบเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งบังคับให้มันสงบมันก็ไม่สงบหรอกมันยิ่งดิดน้นรนมันยิ่งกัดแกงนี่ยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นชอบคิดชอบรู้ธรรมดานะเราอย่าไปโมเมว่าโอ้ทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นทาไมเราเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตเ้าทำของเขาเอง เราศึกษาธรรมชาติของจิตออกไปอย่างนี้เองแดะจันเกตดูจิตจะดิ้นรนไปทางไหนก็ดิ้นรนกวดแหวงไปทางที่รักที่ใครชอบสิ่งที่สวยสวยงา ม, งามที่ปรากฏทางตาชอบเสียงไพเราะที่มาทางหูชอบกลิ่นอหอมหอมไม่มีใครชอบดมกลิ่นเหม็นหรอกชอบดมกลิ่นอหอมหอมชอบรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกปากถูกใจชอบการสัมผัสที่นุ่มนวลเสียวซ่าอันนี้คือธรรมชาติของจิตชอบไปอย่างเงี้ยชอบคิดในสิ่งที่ทําให้จิตมันตื่นเต้นถูกอกถูกใจเรียว่าเร้าใจชอบสิ่งที่เร้าใจคือธรรมชาติของจิตก็ดิ้นหลนกวาดเกวี่งไปทางอารมณ์ที่ใคร้ที่ชอบเข้าไปอย่างนั้นจริงๆที่นี้เรารู้จักธรรมชาติของจิตแล้วว่า นินรนทนกัดแหวง่งห้ามยากรักษายากชอบตกไปสู่แนวลมที่ใกล้เนืองๆ เ, งเงสมอๆเราก็มาดูวิธีการฝึ ก, กจิตอีกแบบหนึง่งก็ว่าเราต้องคุ้นเคยกับกจิตของเราเพียงแค่เข้าใจธรรมชาติยังไม่เพียงพอนะนังแค่รู้จำรู้จักแต่ยังไม่รู้แจ้งจึงจะป็นต้องมาทำความคุ้นเคยกับกจิตของเราตรงนี้แหละที่ว่ายาก เราไม่เคยมาคุ้นเคยกับจิตของเราเลยเราชอบคุ้นเคยกับสิ่งภายนอกนอกตัวเราการแสดงความคุ้นเคยกับจิตของเราคือการกลับมาดู ต, ตัวเราย้อนกลับมาดูตัวเราดูจิตดูใจของเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรการย้อนกลับมาดูใจเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติก็ได้เป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้การปฏิบัต <palette> ิธรรมการปฏิคือกลับมากลับมาดูตัวเรา ดูกายดูใจก็คือกลับมาดูตัวเรามาแสดงความคุ้นเคยกับตัวเราคุ้นเคยกับชีวิตจิตใจของเราก็ด้วยการเจริญสตินี่แหละสังเกตดูซะว่าจิตเราเป็นอย่างไรสังเกตนะไม่ใช่ว่าไปทําอะไรกับจิตเราสังเกต ด, ดูเนี่ยวันที่จิตเราก็เกิดความรักเราก็มีสติรู้อ่อนจิตนี่มันมันเกิดอารมณ์รักแล้วมีอารมณ์รัก ชอบใจมากระทบโอ้มีสติรู้ทันเนอจิตเราเนี่มันพอใจแล้วนะมันเกิดความรักเลยนะเดี๋ยวจิตเราก็เกิดความโกรธไม่พอใจกลุ้มอกกลุ้มใจโอ้นี่จิตเราเนี่ยมันไม่สบายใจแล้วนะมันหงุดหงิดมันกลุ้มแล้วมันทุกข์แล้วจิตเราเนี่บางทีจิตเราก็เกิดอาการที่มันมีความกลัวกลัวผีกลัวสัตว์เลื้อยคลานกลัวทุกขภิกขะไพ กลัวภัยพิบัติหรือบางทีไม่รู้ว่ากลัวอะไรหาสาเหตุไม่ได้ว่ากลัวอะไรแต่มันก็กลัวแล้วกันการสังเกตดูจิตเนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดกับมันให้รู้ไปตรงๆว่านี่มันมันกลัวจิตมันกลัวเนี่ยไม่ใช่เรากลัวบางทีจิตมันก็สงบมันสงบได้เหมือนกันจิตเนี่ยบางทีมันก็นิ่งมันไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งอะไร มันอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะสงบสงบให้ดูวหดีนะเนี่ยบางทีเราเห็นคนเขานั่งนิ่งสงบก็ว่าเอ๊ะคนนี้นี่ผิดปกติแล้วมันนิ่งมันสงบเกินไปมันไม่ลื่นเลงเนี่ยที่จริงบางทีจิตของเขาต้องการความสงบเงียบแล้วก็มีสติรู้อ๋อจิตมันสงบนะเมื่อจิตมันไม่สงบมันดิ้นรนไปฟุ้งซ่านในลมต่างๆแล้วเราก็มีสติรู้อ๋อจิตนี่มันคิดแล้วมันดิ้นรนแล้วมันฟุ้งซ่านแล้ว ให้รู้เท่าทันบางทีจิตมันก็มีเมตตาอยากจะช่วยคนนู้นคนนี้อยากให้เขามีความสุขอยากช่วยเหลือเขาทิจิตเขาก็มีคุณธรรมเหมือนกันบางทีจิตก็มีปีติวันที่ช่วยเหลือเขาได้แล้วทํางานที่เป็นส่วนรวมช่วยผู้อื่นให้คําแนะนําผู้อื่นทําไรกับผู้อื่นเขาชอบ อ, อกชอบใจทิจิตเราก็มีความสุขมีปีติ นี่มันเป็นอาการของจิตทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ของเราเราก็สังเกตดูไปด้วยจิตที่เป็นปกติรู้เฉยๆเนี่ยเนี่ยจะได้ว่าแสดงว่าเรากาลังทำความคุ้นเคยกับจิตทำความคุ้นเคยนี่ไม่ใช่ไปบังคับหรือไปกดขม่มไปห้ามอันนี้ไม่คุ้นเคยละอันนี้มันเหยียบย่าคุ้นเคยจะต้องอ๋อรับรู้รับทราบเข้าใจในอาการของเขา ไม่ไปทำร้ายไม่ไปทําลายไม่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไม่ไปไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของจิตแต่รู้เท่าทันอ๋อจิตเป็นอย่างงี้เนาะแสดงความคุ้นเคยความคุ้นเคยเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจอย่างที่พุะเองค์บอกว่าความคุ้นเคยเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งวิสาสะปรมายาสะความคุ้นเคยเนี่เป็นญาติอย่างยิ่งเราคุ้นเคยกับจิตของเราเนี่ย เราก็จะเกิดอาการเชื่องต่อกันเมื่อเชื่องตอกกันแล้วเราไม่ต้องไปบังคับอะไรเมื่อเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยบางทีไม่ต้องไปพูดมากเข้าใจเรื่องของจิตสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสติเกิดปัญญาโอ้เข้าใจเรื่องของจิตเป็นอย่างงี้เนาะเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นทุกข์ให้ใจเราต้องเป็นทุกข์จิตเขามันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่ไม่นอนไม่คงที่ จิตเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้หรอกมันมึกอยจะคิดมันก็คิดมันจะหยุดมันก็หยุดบังคับให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดบางทีมันก็รู้บางทีมันก็ลืมบางทีมันก็ไม่รู้โอ้นี่เรื่องของจิตทางนั้นเมื่อเราคุ้นเคยบ่อยๆเราก็จะเข้าใจจิตเองก็มีนะมีญาติธรรมมาถามปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเจอสติเลยไม่รู้จักคาว่าสติ เขาเป็นคนที่โกรธยากมากอารมณ์กระทบเนี่ยเขาไม่ค่อยโกรธแต่เวลาเขาโกรธเนี่ยก็หา ย, ายากเหมือนกันมันโกรธหนักแน่นหายายากเลยอันนั้นก่อนการปฏิบัตินะแต่พอมาเจริญสติเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันโกรธไวขึ้น <c oughs> แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็าหายไวเหมือนกันเออแปลกไหมแล้วเขอบอกก็เลยอธิบายอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่เราไม่มีสติเนี่ย เวลามันเกิดความโกรธเราก็ไม่รู้ว่าโกรธแล้วไม่รู้มันเริ่มต้นโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีสติรู้ไม่ทันในอารมณ์ที่มันโกรธแต่พอราโกรธไปนานๆเนี่ยมันกลุ่นมันเก็บกดนานๆเนี่ยมันออกมาทางกายทางวาจาแล้วนะมันมีผลออกมาแล้วแต่พอออกมาทางกายทางวาจาจึงรู้ว่าอ๋อนี่เราโกรธแล้วแต่จริงมันโกรธมาก่อนแล้วโกรธในใจเป็นกลุ่นเป็นไฟสุมขอนมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นตอนนั้นไม่เห็นตอนที่มัน ออกผลออกดอกออกผลคือออกมาทางกายทางวาจามีปัญหาเสียแล้วและทีนี้ไอ้ที่ว่าหายากเนี่ยก็คือมันฝังน่นไปนในจิตเขาเรียกว่าเป็นรอยขีดในหินไปแล้วมันจะลบเลือนได้ยากนะเนี่ยเพราะขาดสติเมื่อเริ่มกดก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ไปเป็นจนกระทั่งเกิดปัญหานะแต่พอเราเปลี่ยนมาเจริญสติสติเนี่ยธรรมาชาติเขาเนี่ยไว ไวต่ออารมณ์เห็นไหมพอจิตมันหงุดหงิดปับ๊บอู้รู้ทันเลยพอจิตมันพลิกไปสู่ความไม่พอใจปับ๊บรู้ทันเลยมันไวต่ออารมณ์ที่กระทบเข้ามาถึงจิตเลยไวก็เรียก ว, ว่าเราทําไมเราโกรธไวไม่ใช่เราเราเห็นความโกรธได้ไวต่างหากเนี่ยธรรมชาติของจิตไวแต่ไม่ไหวตามเห็นไหมไวแต่ไม่ไหวตาม พอไม่ไหวตามเดาลมโกรธปับ๊บความโกรธมันก็ดับไปได้ไวเพราะจิตไม่ไหวตามแค่ไหวแล้วรู้เฉยๆแล้วนะไม่ไหวตามอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งไหวแต่ไม่ไหวตามรู้เฉยๆแล้วก็ปลายมันผ่านไปจึงเรียกว่ารู้ไหวโกรธไวแต่ก็หายไหวเหมือนกันอันนี้เป็นการทำความคุ้นเคยกับจิตเพราะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่เรียกว่าการฝึกจิตก็ได้ ไม่เรียกว่าการฝึกจิตในภาษาพูดก็คือการฝึกจิตแต่ที่แท้จริงก็การรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันนิสัยใจคอของจิตจะเรียกว่าฝึกก็ฝึกได้คือฝึกนิสัยของเราแต่ไม่ได้ไปฝึกจิตแต่รู้เท่าทันแค่นี้พอรู้ทันแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันไม่ดีเมื่อรู้เท่าทันในความไม่ดีของจิตแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเองมันก็จะเปลี่ยนยนิสัยแบบอ๋อนี่มันมันทุกข์นะก็จะรู้จักที่จะไม่ ย, ยึดมั่นถึงมั่น จะปล่อยวางไปเองวันนั้นก็ก่อนจะกลับจากดูการแสดงของเสือก็ได้พูดคุยถามเขาว่าถามผู้ที่ฝึกเสือนะระหว่างฝึกเสือกับฝึกตัวเราเนี่ยอะไรมันยากกว่ากันถึงคำถามนี้เขาก็มองหน้าแล้วก็พูดตรงๆว่าฝึกตัวเรานี่ยากมากเราจะเห็นว่าฝึกคนอื่นเนี่ยมันฝึกง่ายแต่ฝึกตัวเองเนี่ยฝึกยากมากเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ คุโตะองค์ก็ตัดไ้ว่าบัณฑิตเนี่ยย่อมฝึกตนถึงยากก็ต้องฝึกนะการฝึกตนนั่นคืออะไรก็คือการฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้เป็นปกติก็เชื่อว่าเป็นการฝึกตน